เรื่องที่แยุคอะไรก็ไม่รู้ความสงบใจของคนเราขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหลายอย่างอาจเกี่ยวกับอาหารการสังคมและที่อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในเรื่องที่อยู่นั้นผู้หวังความสงบใจในบางครั้งควรจะต้องเปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังในป่าในถ้ำหรือในพิพิธภัณฑ์ทัศน และถ้าไม่สามารถจะไปไหนได้ลองหยิบหนังสือเล่มที่เก่าที่สุดในบ้านของเราเองเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องก่อนเกิดนานๆยิ่งดีเอามาอ่านสักพักหนึ่งจะทําให้เกิดความสงบใจได้บ้างเหมือนกันวันนี้อยากจะเสนอเรื่องเก่าๆสักเรื่องหนึ่งซึ่งผมเองอ่านแล้วคิดแล้วรู้สึกว่าได้รับความสงบใจคือทําให้สงบใจได้บ้าง ตรงกันข้ามกับอ่านหนังสือพิมพ์รายวันยิ่งอ่านยิ่งร้อนมีแต่เรื่องจะฆ่าจะแกงกันไม่เว้นแต่ละวันบางวันในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้ง20ิบหน้าฆ่ากันตายทุกหน้าเลยเรื่องที่ว่านี้คือเรื่องยุคของโลกซึ่งเกี่ยวกับอายุไขของมนุษย์เราและพฤติกรรมต่างๆของสังคมที่พระพุทธองค์ตรัสแก่พระสงฆ์เมื่อประทับอยู่ที่ มาตุลานครแกวนมคตการเสนอในที่นี้จะขอเสนอในแบบลายแทงคือบอกแต่หัวข้อยอ่อๆให้ท่านผู้อ่านได้ใช้ความคิดมากๆแล้วความสงบใจจะเกิดขึ้นในขณะที่คิดนั่นเองในพระสูตรดังกล่าวพระพุทธองค์ตรัสว่าอายุไขของมนุษย์เรานี้เคยมีบางยุคยืนนานถึง 80,000 นปี ครั้นแล้วก็ค่อยๆลดลงอายุคนจะถึงเกณฑ์ต่ำที่สุดอายุไข่สปีแล้วก็กลับสูงขึ้นไปจนมีอายุ 80,000 ปีอีกรวมความว่าจะมีอันขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้เรื่อยไปตั้งแต่มนุษย์มีอายุไข 80,000 ปีแล้วเสื่อมลงถึง10ปีแล้วก็ฟื้นขึ้นถึง 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าอันตรกรับ เป็นระยะเวลานาน67ล้าน2แสนปีและท่านว่าอายุไขของมนุษย์100ปีจึงจะลดลงปีหนึ่งอย่างเช่นในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้เป็นระยะที่อายุไข100ปีเวลานี้ล่วงมา25สศตวรรษคือ 2,500 อายุไขของมนุษย์ ก็เหลือ75ปีโปรดสังเกตด้วยว่ายุคนี้อายุขยของมนุษย์กำลังอยู่ในยุคเสื่อมและเป็นระยะที่เสื่อมมากคือจะลดลงสู่จุดอายุขย10ปีในอีกเกือบหมื่นปีข้างหน้านี้ต่อไปนี้เป็นใจความเก็บจากพระพุทธดำรัสในที่ต่างๆซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนคำพยากรณ์ย้อนหลังและล่วงหน้า แสดงให้เห็นว่ายุคนี้ที่คนมีอายุไขต่างๆนั้นคนเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรและมีพฤติการอะไรใหม่ในสังคมบ้างโปรดพิจารณาดูช้าๆเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนี้ด้วยเมื่ออายุไข8 0 0 0ดหปีคนรักษาสินห้าได้เต็มที่ทุกคนและรักษาได้เองเป็นปกติสินห้าจึงเป็นธรรมของมนุษย์ เรียกว่ามนุษยธรรมไม่มีการโอร้อวดความมีความจนกุมารีจะแตกเนื้อสาวและสมรสต่อเมื่ออายุ500ขวบโรคที่รบกวนมนุษย์มีอยู่สองสาอย่างเท่านั้นคือ 1. โรคผิวหนัง 2. โรคเมารถอาหาร 3. โรคคือความแก่เมื่ออายุ4ี่มปี มนุษย์เริ่มมีอาการอวดสมบัติกันมีการขโมยกันฆ่ากันและพูดเท็จเมื่ออายุสอง0 0ื่ปีมีการลําเอียงคือตัดสินความไม่ยุติธรรมมีการใส่ความกันเมื่ออายุหนึ่งหมื่ปีผิวพรรณของคนจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างคือก่อนนี้สวยเหมือนกันหมดจากความเหลื่อมล้ําทางผิวนี้ จะทําให้คนผิดทางกา ร, รและการนอกใจกันเมื่ออายุ 5,000 ปีคนเริ่มพูดจายหยาบคายก็เห็นจะเนื่องจากมีการนอกใจกันนั่นเองเมื่ออายุ 2,500 ปีมีการผูกพยาบาทกันเมื่ออายุหน0่ปีเริ่มมีความระโมบเมื่ออายุ1000ปีมิจฉาทิฏฐิ ครอบงา ม, มากขึ้นคิดเห็นผิดเป็นชอบเมื่ออายุ500ปีความทรงจําของคนเราเสื่อมลงมากจนลืมคุณมารดาบิดามากขึ้นลืมคุณสมณชีพรามากขึ้นและลืมคุณผู้มีอุปการะคุณบรรพบุรุษมากขึ้นเมื่ออายุไข100ปีคือยุค ป, ปัจจุบันและต่อไปความจําของมนุษย์เสื่อมลงมาก จนมีคนที่ถูกลืมมากขึ้นทุกวัน 3. จํจำพวกคือ 1. ผู้ให้กำเนิดคือลูกจะลืมคุณพ่อแม่มากขึ้น 2. ส, สมณนะคือพระสงฆ์คนมีศีลธรรมผู้สอนศาสนาครูอาจารย์ผู้สอนวิชาความรู้ 3. คนแก่คือคนจะลืมบรรพบรุษซึ่งเคยมีอุปการะคุณโปรดสังเกตดูว่า ความเสื่อมโทมทางศิลธรรมทุกวันนี้ก็มาจากการลืมบุคคลสามจำพวกนี้เองคือลูกลืมคุณพ่อแม่สิทธิ์ลืมคุณครูและการเนรคุณกันใครบ้างที่ทำงานอยู่ในกลุ่มผู้ถูกลืมขอให้ก้มหน้าทำบุญไปเถอะเพราะไปข้างหน้าความดีย่อมจะช่วยเราเมื่ออายุ1ิบปีกุมารีแต่งงานเมื่ออายุห้าขวบ ประเวณีโลกจะไม่เหลือคือมนุษย์จะสมสู่กันปนเปไปหมดคนมิจฉาทิฐิจะเต็มไปหมดอาหารสำคัญจะอันตรธานไปจากโลกคือขาดแคลนและหาไม่ได้คือเกลือเนอยน้ำมันน้ำอ้อยน้ำตาลเจิดมีขสัญญีคือคนเราจะเห็นชีวิตของคนอื่นมีค่าเหมือนสัตว์ทั่วไปฆ่ากันได้ทําลายกันได้ เหมือนค่ามดค่าปลวกมหันตภัยจะเกิดขึ้นทำลายด้วยเหตุ3ประการคือ 1. สัตราอะไรๆมันจะกลายเป็นเครื่องสังหารกันไปหมดคืออย่างเช่นเวลานี้ขวดก็กลายเป็นลูกระเบิดบ้างแล้ว 2. โรคร้ายรักษาไม่หาย 3. ทุพิกภัยคือความอดอยาก ขาดแคลนอาหารล้มตายไปในพระสูตรนั่นเองได้ระบุไว้ว่าที่อายุไขและจิตใจของมนุษย์เสื่อมลงเช่นนี้ก็เพราะพ่อแม่ทําบาปมากขึ้นและว่าเมื่ออายุลดลงถึงที่สุดแล้วมนุษย์จะเกิดความสังเวชใจคุณธรรมจะเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาและจะทําให้อายุของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนอายุถึง 80,000 ปีอีก ในยุคนั้นเองที่ว่าพระศิาีาณจะมาตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบเยือกเย็นเหมือนกับยุคนั้นที่ผ่านมาแล้วเราอดใจรอไปอีกสัก35หล้านปีเท่านั้นเองก็จะถึงยุคนั้นแล้วและอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เห็นมีเรื่องน่าปวดหัวมากๆก็อย่าไปนึกโทษคนนั้นคนนี้เลยนึกเสียว่ามันถึงข่าวก็แล้วกัน